จเจริญพรโยมโยมเยอะขึ้นทุกวันนะเดี๋ยวนี้ล่นไปที่วัดหลวงพ่อทุกวันเยอะเยอะเกินไปธร <c oughs> รมะจะดีที่สุดเนี่ยต้องเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งนะเรียนกันง่ายหน่อยลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนะอาจารย์สู้ไม่ไหวอนะจารลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเองให้เยอะพยยาม ฟังซีดีนะที่หลวงพ่อเทศเทศไว้มีแจกให้ยามฟังฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหนะ่อยทำใจให้สบายสบายฟังลืมความรู้เก่าๆไปชั่วคราวเปิดใจฟังถ้าฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะไม่นานฟังไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเหมือนเส้นผมบางผูกเขาเท่านั้นเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอก ธรรมะไ ม, ร Ma, ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองนี่งันั้นธรรมะไม่ได้อยู่ห่างไกลที่ไหนธรรมะอยู่ที่กายธรรมะอยู่ที่ใจกายของเราเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจของเราเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมงนั้นธรรมะอยู่ที่นี่เองนี่ถ้าเราไปดิ้นรนค้นคว้าเที่ยวแสวงหาธรรมะจากที่อื่นเราจะไม่เจองนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่ตัวเราเอง ทำไงเราจะเปิดใจของเราออกมาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความเป็นจริงของตัวเราเองเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจถ้าเรียนรู้ได้ท่องแท้เนี่ยความทุกข์มันจะเหลืออยู่ที่ทางกายเท่านั้นส่วนความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความทุกข์ทางกายนี่ห้ามมันไม่ได้มีร่างกายขึ้นมาแล้วนะเป็นผลของกรรมเรามีร่างกายมาแล้วเราจะต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นสักคนเดียว แต่ความทุกข์ทางใจนี่เราสแสวงหามาเราสร้างขึ้นมาเองส ด, สดสดร้อนๆ้อ น, นี่เองงนั้นถ้าเราหัดภาวนาจนเรารู้เราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราหมดความยึดถือในกายในใจได้เนี่ยความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกจิตมันจะพลากออกจากกายจากใจมันพลากออกจากขันขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิต จิตจะ ก, กว้างขวางนะไร้ขอบไรเขตภาษาบาลีเรื่องวิ ม, มาริยาทิกัดภาษาไปท่องมาหลายวันนะมันกว้างขวา ง, วางใจอะการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะเป็นเรื่องดีมากเรียกว่าเราไม่ประมาทคนที่ประมาทตื่ละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ชีวิตก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกเรื่องโน้นทุกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้ะ ดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหาไม่เจอสังเกตดูคนทั้งหลายเนีเที่ยวหาความสุขตลอดชีวิตเลยนะจนถึงวันตายนะหาไม่ได้พอวันจะตายเจ็บหนักๆนะยังรู้สึกเลยถ้าตายจะได้คงจะมีความสุขจนจะตายยังหาความสุขไม่ได้เลยแต่ละคนดังนั้นะาการที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะนี้เรียกว่าเราไม่ประมาทนะคนที่ไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องนะ พระพุทธเจ้ายกย่องความไม่ประมาทเป็นธรรมะสาคัญขนาดท่านจะปรินิพานท่านยังเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทนีคําว่าประมาทมันก็มีไวยากว้างขวางนะร้างขวา ง, ว, า ง, ว, า ง, ว, างวันนี้หลวงพ่อลองพูดอีกไวยาคนึงให้ฟังก็ได้เราจะต้องไม่ประมาทในอกุศลธรรม <S <S ไม่ประมาทในกุศลธรรม <S <S ไม่ประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศล เรียกว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเลยอย่างอากุศลธรรมนะความโลภความโกรธความหลงอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าประมาทอย่าเห็นว่ามันเล็กๆน้อยๆความชั่วที่ร้ายแรงที่ใหญ่โตทั้งหลายนะก่อนมันจะใหญ่มันก็เล็กมาก่อนอย่างคนเนี่ยส่วนใหญ่หัดทํากรรมชั่วอันแรกๆที่หัดนะคือหัดโกโหกนั้นมุสาวาตเนี่ย ทำผิดง่ายทำผิดกันบ่อยหาคนที่ไม่โกหกนี่หายากไหนใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมห <c oughs> ลวงพ่อก็เคยโกหกนะเพรานชั่วตอนแรกๆมันเล็กๆนะพอเราทำจนเราคุ้นเคยมันก็ทำได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีแรกก็บี้มดนะต่อมาก็ฆ่าแมงวันอย่างเงี้ยค่อยตัวโตๆขึ้นนะต่อไป ใจเราก็จะคุ้นเคยกับการฆ่าคุ้นเคยกับการโกหกคุ้นเคยกับการทำชั่วทั้งหลายสะสมไปแล้วเราประมาทไม่ได้เราประมาทกับกิเลสไม่ได้แล้วก็อย่าไปประมาทแบบดูถูกนะกิเลสด้วยกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้กนะิเลสเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้อนะย่างเรามีตัณหาเนี่ยเราอยากเราอยากดีเราอยากสุขเราอยากได้มรรคผลนิพพานอะั Neder นนี้เป็นกิเลสนะ แต่มันทําให้เราผลักดันให้เราหันมาศึกษาธรรมะเราศึกษาธรรมะแล้ววันหนึ่งเราก็พ้นจากตัญหาได้ใช่ไหมอาศัยกิเลสเนี่ยเป็นพื้นฐานเราก็ดูถูกกิเลสไม่ได้กิเลสบางตัวเช่นมานะความถือดีเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านภาวนาดูท่านมีความสุขทําไงนะเราจะได้อย่างท่านเรามันแย่มากเราไม่ได้อย่างท่านนี่ก็เป็นกิเลสนะเรียกว่ามานะ อาศัยมานะนี่เองนะมาภาคเพียรศึกษาธรรมะวันหนึ่งเราก็ละมานะได้เพราะงั้นกิเลสนะดูถูกมันไม่ได้มันทำให้เกิดผลดีก็ได้ทำให้เร็วลงเร็วลงก็ได้งั้นเราจะประมาทในกิเลสไม่ได้เราต้องคอยรู้ทันกิเลไสไมกุศลทั้งหลายนะอารมะอาโทสาอาโมหะเราก็ประมาทมันไม่ได้นะนะคุณธรรมความดีแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็อย่าไปดูถูกว่าน้อยเกินไป คุณธรรมความดีที่ใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยก่อนมันจะใหญ่โตขึ้นมามันก็น้อยๆก่อนอย่างพระพุทธเจ้าสร้างบารมีกว่าจะเกิดปรามทบารมีบารมียิ่งใหญ่ก่อนจะเกิดอุปบารมีก็มีบารมีธรรมดานี้ก่อนอาศัยการสร้างคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆไปก่อนจิตใจคุ้นเคยกับการสร้างคุณงามความดีวันหนึ่งก็สร้างคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะช่วยเรา ในนาทีที่เราจะข้ามพพข้ามชาติในเวลาที่จิตเดินเข้าสู่อรหัตมรักเนี่ยตรงเนี้ยคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องระดมรวมตัวขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสจะมาแตกหักกำมานในนาทีสุดท้ายนี่เองเมื่อเราต้องสะสมนะคุณงามความดีทุกชนิดเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังอย่างในพระไตรปิฎกพูดใช่ในพุทธประวัติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะ นั่งอยู่บนรัตตนาบัรลังไม่แยกบรรลังโก้เก๋อะไรนะนั่งอยู่บนหญ้าหญ้ากุสศลคนไทยมาแปลว่าหกขาขนาะจริงๆไม่ใช่ยญ้าขายากาขามันคมนั่งไม่ได้าคือหญ้ากุสะเดี๋ยวนี้เรียกยากุสท่านนั่งลงแล้วเนี่ยท่านตั้งใจแล้วไม่ถอยละ ว, วันนี้ถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ถอยละเสร็จละมานทจนเห็นไหมมานทจนท่านอาศัยคุณงามความดีของท่าน มาเป็นเครื่องมือต่อสู้ในานาทีที่เราจะสู้กับมารที่ให้ข้ามภพข้ามชาติได้มันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวมารจะยกมาห้าตัวเลยนะขันธ์มารคือกายกระใจของเราเนี่ยแต่เดิมเราจะเห็นว่ากายกระใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างโดยเฉพาะเราเห็นจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตที่ทรงธรรมในระดับที่สามแล้ว จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะชับพลันมันกลายเป็นตัวทุกร้วนๆให้ดูได้นี่มันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยนะในตัวขันเองในกิเลสก็จะระดมกำลังเข้ามาโจมตีเรานะถอยเฮอะถอยเถอะนะกิเลสมันจะมายั่วยวนนะความคิดก็จะมาหลอกเราอย่าสู้เลยนะถอยดีกว่าถ้าถอยไปถ้าสู้ต่อไปนะถ้าไม่บ้าก็ตายเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะ ใจของเรานี่แหละคือเทวบุตรมารนะความคิดของเราคืออาิีสังคารามารนนะกิเลสของเราเรียกกิเลสมารนะ์นใจของเรานี่คือขันธมานนะมันจะมีความรู้สึกเลยเหมือนความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วนี่คือมัจจุมารนะที่เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์เคยอ่านไหมอย่างหลวงปู่มั่นบอกก่อนจะแตกหักได้นะความทุกข์บีบคั้นสลบไปสามรอบเนะี่ย แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องสลบสามครั้งนะไม่จำเป็นต้องสลบสักครั้งก็ได้แต่ว่าท่านพูดให้ฟังหมายถึงว่าความทุกข์มันรุนแรงมากในขณะนั้นถ้าเราไม่เคยสร้างสมบา ร, รมคีคุณงามความดีไปเลยเราจะเอาอะไรไปสู้กับมันมันเหมือนจะตายแล้วเนี่ยกล้าเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมถ้าเราเคยสร้างฐานนบบารมนะีเคยสละสละอย่างพระเวสสันดรใช่ไหมสละสมบัติสละลูกสละเมีย กระทั่งชีวิตก็กล้าสละถึงนาทีสุดท้ายนี่มันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแต่ถ้าเรารักตัวเองหวงตัวเองนะสุดขีดเลยกลัวทุกข์กลัวยากนะสารพัดเนี่ยมันจะไม่กล้าใจมันจะท้อถอยออกมานะมจะข้ามพบข้ามชาติไม่ไหวหรืออย่างเรามีขันติบารมีเราฝึกความอดทนอ ด, อดกลัน้นในนาทีที่จะแตกหักเนี่ยความทุกข์มันท่วมทนนะ้นเหมือนทุกบทขยี้เราปางตายเนะี่ย เราจะอดทนอดกลั้นได้ไหมหรือเราจะถอยถ้าถอยนะเราจะมาอยู่กับโลกอย่งมีความสุขมากเลยมีความสุขเยอะเพราะว่าจิตใจที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั้นมันจะมีแต่ความสุขเยอะมากแต่ว่ามันจะต้องไปเกิดอีกข้ามภข้ามชาตไม่ได้เนี่ยเรามีสัจจะไหมเรามีอธิฐานบารมีไหมคือความตั้งใจมั่นสู้แล้วไม่ถอยอะไรเน แม้คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เราเอามาใช้ในนาทีที่เราจะขํามภพข้มชาติคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่าเนี้ยมันเกิดจากคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆที่เราหัดสร้างกันนั่นเองงั้นเราต้องสร้างนะหัดถือศีลไว้หัดรักษาใจของเราให้สงบสํารวมไว้นะหัดเจริญปัญญาหัดรู้กายหัดรู้ใจไปต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝนไปนะคุณงามความดีก็จะเยอะขึ้นถ้าเรา พอใจในคุณงามความดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกประมาทงั้นคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทหรือคุณงามความดีเรามีคุณงามความดีก็อย่าประมาทอีกว่ามันจะต้องดีตลอดกุศล ส, สามารถจะพลิกเป็นอกุศลเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเรามีความเมตตากรุนาความเมตตานั้นพร้อมจะพลิกเป็นราคะ อย่างเราเมตตาลูกของเราเนี่ยเราก็หวงว่านี่ลูกของเราเห็นไหมพลิกเป็นราคะเราเมตตาผู้หญิงคนนี้มากนะเสร็จแล้วเราก็เลยหวงเขาไปรักเขาขึ้นมาเป็นราคะกรุณาก็พร้อมจะพลิกเป็นโทสะได้อย่างเราเป็นห่วงใครสักคนนะคอยเตือนเขาเขาไม่เชื่อเราโมโหนะโมโหเนี่ยเป็นโทสะนะ้วงั้นเราประมาทไม่ได้กุศลที่ถึงมีอยู่ก็ยังประมาทไม่ได้มันพลิกเป็นอกุศลได้เห็นไหมนี่สองตัวแล้วนะเรื่องประมาท ในอกุศลประมาทในกุศลประมาทในธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ได้อะไรคือธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลขันห้านี่เองขันห้าก่ายกับใจนี่เอยงยกเว้นจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลนะกับเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นกุศลและอกุศลขันทั้งหลายที่เหลือนี่เราเป็นวิบากเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไร อย่างเรามีร่างกายขึ้นมาอย่าประมาทนะว่ามันจะคงทนถาวรไม่นานมันก็แตกสลายไปตายง่ายนะคนเราตายง่ายมากเลยหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดวังน้ำมอกสาขาหลวงปุทเิ์เแข็งแรงทำงานกับพรี่กระเป๋าคล่องแคล่วว่องไวเช้าวันหนึ่งกินข้าวแล้วสำลักข้าวตายเลยแค่นั้นก็ตายได้นะหรือคนหนึ่งเดินเดินหกล้มปักเดียวตายเลยก็มี เราประมาทไม่ได้ล่ะความตายเราจะถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เลือกนะไม่มีซีเนดิตี้นะไม่ใช่แก่เราต้องตายก่อนนะเ <c> ด <oughs> ็กๆตายไปก่อนหลวงพ่อเยอะแล้วนะ <c oughs> นนเราประมาทไม่ได้นะเราอย่าประมาทในร่างกายนี้อย่าประมาทในเวทนาคือความสุขและความทุกข์ทั้งหลายความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนี่ไหมประมาทไม่ได้ไม่ใช่ความสุขมาก็หลงระเริงไปความทุกข์มาก็เกลียดชังมันไป เรียกว่ายังมัวเมายังประมาณอยู่เราก็คอยรู้ทันนะจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยนะอันนี้ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็เป็นของที่เกิดเกิดแล้วก็ดับดับไปนะไม่มีอะไรเห็นไหมทั้งหมดนี้เราประมาทไม่ได้นะทั้งธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะนี่ทำยังไงถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทต้องมีสติ ถ้าขาดสติคือประมาทถ้ามีสติเรียกว่าไม่ประมาทเราต้องมีสติรู้ลงในกายในใจของเรานี้ร่างกายจิตใจบางอย่างเนี่ยจะเป็นธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลและอกุศลนะส่วนทางจิตใจเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลแล้วมีทั้งที่เฉยๆก็มีนะไม่ใช่กุศลอกุศลหน้าที่ของเราต้องคอยรู้ทั น, นหัดรู้ทันกายหัดรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆคาว่าสติน สติเนี่ยฟังภาษาแขกแล้วไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงดนะีเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเราค่อยรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนะเรียกว่าเรามีสติถ้าเมื่อไหร่เรามีกายอยู่เราลืมลืมกายมีใจอยู่เราลืมใจก็เรียกว่าขาดสตินั้นะสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อยๆ รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเนี่ยรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองให้เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้อย่าใจลอยแต่ว่าใจมันมีธรรมชาติชอบลอยอันนี้มันลอยไปก็อย่าให้มันลอยนานนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกในกายรู้สึกในใจไปเรื่อยรู้สึกแล้วอย่าไปบังคับมันนะอย่างเกงเกงเหลืองเนี่ยอย่างบังคับมันอยู่รู้สึกเล่นๆรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างที่มันเป็น ตรงที่เรามีสติก็คือเราจะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถัดจากนั้นเราจะมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นกายเป็นยังไงกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา กายมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์มีความทุกข์ตามบีบคั้นตลอดวันตลอดคืนไม่มีเว้นวักให้หรอกเนี่ยเราคอยรู้อย่างนี้เรียกว่ากายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างไั้กลยเป็นอะไรเป็นไตร ล, ลักษณ์นั่นเองแต่ว่ามันเด่นในเรื่อ ง, องความเป็นทุกข์แต่การไม่ใช่ตัวเราคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเข้าไปนะ จิตใจละ่ะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นถามว่าเราจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจะหาคนใจง่ายเท่าเราหายากรู้สึกยังรับสารภาพไ้ยคนที่ดูจิต ด, ดูใจเป็นจะหาคนที่ใจร้ายเท่าเราหายากกิเลสเกิดทั้งวันเลยกูสนไม่ค่อยจะเกิดสังเกตไหมจิต ใ, ใจเป็นของบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้ ให้เราคอยรู้อย่างที่เขาเป็นอย่างนี้รู้กายอย่างที่เขาเป็นคือเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเรารู้จิตอย่างที่เขาเป็นเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวเราคอยรู้ลงไปพอรู้บ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นเลยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราว เมืรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นเลยกุศลและอกุศลทั้งหลายเช่นโลคโกรธหลงทั้งหลายเนี่ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเห็นได้ทันทีเลยความโกรธมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราความโลภมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเราเนี่ยคอยรู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจกระทั่งตัวจิตเองฝึกไปเรื่อยๆหัดรู้หัดดูเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตา เดีจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูนะจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจจิตเกิดตรงไหนก็ดับลงตรงนั้นเราจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเยนี่กระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงจิตจะเกิดทางตาหรือจิตจะเกิดทางหูเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเกิดทางใจเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าเกิดแล้วนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็สั่งไม่ได้เนี่ยหัดสังเกตนะหัดคอยรู้คอยดูไป วิธีการสังเกตนะหลวงพ่อแนะนําไปหาหนังสือของอาจารย์สุรวัตรนะมาอ่านมีซีรีส์เกี่ยวกับเนนนะเนะี่ยเนนน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในเนื้อเรื่องนะเป็นหน้าปกลองไปดูนะมันมีวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆหรือนักสือที่หลวงพ่อเขียนง่ายๆนะเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่ถึงวันนี้ไม่รู้พิมพ์เป็นแสนแสนครั้งละ <laughs> เป็นแสนแสนเล่มไม่ใช่แสนแสนครั้งค่อยๆไปเอามาอ่านนะสังเกตไปแล้วก็ฟังซีดีไป วันหนึ่งเราก็จะสามารถรู้กายได้อย่างที่มันเป็นรู้ใจได้อย่างที่มันเป็นแต่จุดแรกสุดเลยต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจให้มีสติสะกก่อนกายมีอยู่ก็นะต้องรู้สึกไว้จิตใจมีอยู่ก็ค่อยรู้สึกไว้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจถ้าเรารู้สึกด้วยจิตใจ <diesem S 2> ที่เป็นกลางตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นนะกายเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นยังไงรู้จะเป็นอย่างนั้น รู้แล้วจะเป็นยังไงรู้แล้วก็จะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีจะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหัดใหม่ๆเรียนจากหลวงพ่อนะพอสติเกิดก็จะเริ่มเห็นแล้วไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนยากเย็นแสนเขียนอะไรเลยไม่ต้องเป็นนึกเอาด้วยหลายคนมาถามว่าทํายังไงจะพิจารณาไตรลักษ์ไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดทําเมื่อไรเราสามารถเห็นกายเห็นใจเห็นสภาวะธรรมของรูปธรรมนามธรรมได้เนี่ยจะเห็นไตรลักษ์โดยอัตโนมัติ เราต้องค่อยๆฟังนะค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดหลวงพ่อพูดมาเยอะแล้วนะไปหาฟังเอาเองก็แลกันวิธีฝึกให้สติเกิดสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้วิธีทําให้จิตจําสภาวะได้ก็คือเบื้องต้นหากรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทําไปแต่ไม่ได้ทําเหมือนที่เคยทํา ที่เคยทําส่วนใหญ่จะไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นนะแทนที่เราจะไปเพ่งให้จิตนิ่งแล้วก็แค่รู้สึกในอารมณ์นั้นนะมีอารมณ์นั้นเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรมแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเนะช่นเราหัดพทุพทโธพุทโธไปนะใจเราแอบไปคิดแวบเนี่ยรู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วพทุพทโธพุทโธใจเราสงบลงมารู้ว่าใจสงบ พุโทโธเราซึมๆึมไปรู้ว่าซึมซึมในหัดรู้สภาวะต่อไปพอใจเราแอบไปคิดแวบเนี่ยสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะหลวงพ่อยืนยันว่าสติเกิดเองนะแต่ว่ามีเหตุเหตุคือจิตจําสภาวะได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะพราะสติเป็นอนัตตามีเหตุถึงจะเกิดนั้นหน้าที่ของเราทําเหตุของสติ ทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะรู้ลมหายใจก็ได้หายใจออกหายใจเข้าถ้าจะรู้ลมหายใจขอแนะนําว่าให้หายใจออกก่อนถ้าหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าก่อนจิตจะแข็งกระด้างหายใจออกก่อนในพระไตรปิฎกเขพูดเรื่องหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าใจจะคลายใจผ่อนคลายรู้ว่าจิตใจผ่อนคลายหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดหายใจแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้ว หายใจแล้วจิตมีปีติรั่วมีปีติมีความสุขรั่วมีความสุขหายใจแล้วจิตเป็นอุเบกขารูัว่วเป็นอุเบกขาหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปนะเดี๋ยวต่อไปจิตมันขยับเยื่อนเคลื่อนไหวมันเกิดความรู้สึกอะไรสติจะเกิดเองนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลยดูท้องผองยุบ ก, ก็แบบเดียวกันนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ ฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หลวงพ่อเตียนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองหนึ่งที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นนะหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บหลวงพ่อเทียนตื่นรุ่นหลังเริ่มทรงคําสอนของหลวงพ่อเทียนไว้ไม่ได้เริ่มสอนกันบอกให้ไปเพ่งไว้ก่อนให้เพ่งมือไว้ก่อนเพ่งไปก่อนแล้ววันหลังค่อยปล่อยหลวงพ่อเตียนบอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนว่ากายเคลื่อนไหวให้เพ่งจิตเคลื่อนไหว mm. ให้เพง่งให้รู้สึกเมื่อเราขยับมือไปอย่างนี้ใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้ทันขยับมือไปใจเราไปเพ่งใส่มือเรารู้ทันขยับไปแล้วใจเป็นยังไงเรารู้ทันไม่เหมือนเหมือนกันหมดนะกรรมฐ า, านอะไรก็ได้อย่าท ะ, ะเลาะ ก, กันนะเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะทำถูกก็ได้ผลอย่างเดียวกันทำผิดก็มีผลอย่างเดียวกันนั่นแหละ เนี่ยเราขัดรู้สภาวะแล้สติมันเกิดพอสติเกิดนะเราก็พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาใจที่ตั้งมั่นมีสองวิธีอันหนึ่งสําหรับคนที่ทําชาญได้คือทําชาญไปพอจิตถึงฌานที่สองเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมตัวหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอเราออกจากสมาธินะกำลังของสมาธิจะหนุนให้ตัวผู้รู้ผู้ดูเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ได้อีกช่วงยาวยาว เราก็จะเห็นเลยกายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้กุศลอะกุศลเป็นของถูกรู้อะไรอไรก็เป็นของถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากนี่เส้นทางหนึ่งนะอีกเส้นทางหนึ่งสําหรับคนทําชาญไม่ได้เวลาจิตมันฟุ้งซ่านให้มันรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมันไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกาจะให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าจิตไม่ลงไม่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ น่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเวลารู้สึกตัวนะใจจะเป็นกลางกลางโล่งๆว่างๆจะเป็นกลางๆงจะตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จิตของพวกเราจะไหลออกไปข้างนอกครูบาอาจารย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกไหลไปหลงๆดูใครต่อบใครแล้วลืมตัวเองไปอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัติจะส่งจิตเข้าข้างในจะเพ่งเข้าไปเพ่งเข้ามาในกายเพ่งเข้ามาในใจเรียกว่าส่งในหลวงปู่เทศเรียกว่าส่งในจิตที่เป็นสัมมาส ม, มาธจิจริงๆไม่ใช่จิตส่งในอย่างที่พวกเราเป็น จิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ส่งนอกไม่ส่งในแล้วตั้งอยู่โดยทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับให้ทรงตัวอยู่ได้วยนะสิ่งนี้ก็ต้องค่อยๆเรียนนะตัวสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นว่าพวกเราพลาดมากที่สุดเลยสติอีกตัวหนึ่งพลาดมากนี่สติยังไปเพ่งๆอะไรขึ้นมาสติยังเกิดได้นะแต่สมาธินี่เกิดยากมากเลย เพราพวกเราค ah, right eh <ous> hey ุ้นเคยกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่เพ่งเอกเราไม่คุ้นเคยกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เราคุ้นเคยแต่สมาธิที่จิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์จิตที่ไปตั้งแช่นิ่งอยู่กับลมนะเรียกว่าอารมณ์นูปนิชฌานเป็นจิตที่ใช้ทําสมถะนะในการทําสมถะงั้นเราไปดูท้องพองยุบแล้วเราเพ่งจิตไปเกาะที่ท้องนี่สมถะรู้ลมหายใจแล้วจิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนี่สมถะ ค่อยๆฟังนะทางค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปในจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดแล้วนี่ปัญญาถึงจะเกิดได้เพราะปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคิดนะปัญญาที่เกิดจากการคิดเลือกจินตามยะปัญญาไม่ใช่ภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาเนี่ยเกิดจากจิตมันตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู เห็นปรากฏการ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นสภาวธรรมทั้งหลายในแต่ละปรากฏการนะ์ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นไม่ใช่ใจมันจะเห็นอย่างนะี้มันถึงมีปัญญาเพราะั้นตัวนี้ต้องเรียนนะหลวงพ่อก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อตระเวนไปตามสำนักต่างๆมากมายหลวงพ่อไปดูว่าเราจะไปบวชสำนักไหนดีบางแห่งสำนักดีนะครูบาอาจารย์ดีแต่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลาเลย อาจารย์ไม่อยู่วัดนะรับนิมนต์ไปทุกวันทุกวันนะหายไปเลย <นะ S 1> หรือบางแห่งมีแต่รูปแบบหลายแห่งเพียงลูกเดียวกระทั่งในสำนักที่บอกว่าทำแต่วิปัสสนานะจริงๆแล้วติดสมถะเกือบทั้งหมดนะติดสมถะนักปฏิบัติเพราะาอะไรเพราะวา เ, ราเวลาเราเรียนธรรมะเราเรียนข้ามขั้น เราถือศีลมาเรามีศีลสิกขานีแล้วเราก็ไปกําหนดรูปนามเลยเราไปเจริญปัญญาสิกขาเราข้ามจิตสิกขาไปบทเรียนหนึ่งงั้นถ้าเราไม่ได้เรียนจิตสิกขาให้ทองแท้ซะก่อนเนี่ยจิตจะไม่มีสัมมาสมาธิแนะจิตจะไปเพ่งไปรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นจะไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะเราเรียนข้ามขั้นนะไปเที่ยวตะเวนไปนะบางที่ก็ ส่วนใหญ่จะไปแอบดูเขานะถ้าไปนั่งเรียนที่มันยาวใช่ไหมหลายชั่วโมงหลายวันส่วนมากหลวงพ่อเป็นคนใจใจเราว่องไวหน่อยเราไปแอบดูดูตัวอาจารย์นั่นแนหะดีที่สุดเลยดูเวลาอาจารย์ทข้าภาวนานะั้นเขาเข้าใจรวดเร็วยึงไปเห็นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่เนียบจริงๆลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่เยี่ยมมากมาก็หลวงพ่อคําเขียนนี่แหละนะ นั้นถ้าใจเรามีสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าใจเราไม่มีสัมมาสามาธิไม่ตั้งมั่นไปดูอะไรมันก็จะเป็นเราไปหมดเลยเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันก็เป็นเราโกรธ น, นะเห็นขามันเมื่อยก็เป็นขาของเราเมื่อยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉั้นเวลาที่เราใจเราไม่ตั้งมั่นไปรู้สิ่งต่างๆนะเราจะสะสมความรู้สึกผิดๆความเห็นผิดๆตลอดเวลาเลย สะสมว่ามันมีตัวเรามันมีตัวเราแต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสมาัมมาสติมีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมาทิจจิเป็นปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องก็คือการที่เราเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยได้เป็นโสดาบัล น, นะ้วแต่โซดาบัลไม่ใช่นึกเอาเองนะ นึกดูมาสามวันแล้วพอสมควรแล้วบัต น, นี้เป็นพระโสดาแขว น, ะนะป้ายให้ตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่นะ <S <S มันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะกระบวนการมันมีทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้ในคำพีร์อภิธรรมของเราสอนไว้ทั้งหมดเลยแต่เราละเลยที่จะเรียนกระทั่งแอบวิจาร์หน่อยนะกระทั่งคนเรียนอภิธรรมอ่ะเวลาลงมือภาวานาก็พลิกตําราไม่ค่อยทันไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่เคยเห็ น, นชอบเพ่งติดเพ่งกันแทบทั้งนั้น นั้นอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังฟังด้วยใจที่เปิดกว้างหลวงพ่อเรียกร้องตั้งแต่แรกนะต้องเปิดกว้างถ้าฟังด้วยใจแคบจะต้องโมโหโหลวงพ่อทุกวันจะต้องมีคนมาขอเข้ามาเรื่อยๆนะง <laughs> ั้นเดี๋ยวหลวงพ่อพูดเสร็จหลวงพ่อขอเข้ามาพวกเราดีกว่านะจะได้ไม่อาคาดแขนเ <laughs> นี่ยค่อยดูลงไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นในกายกระใจไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้ยังไม่ได้ละอาวิชานะละแค่สักยทิจิ เห็นแล้วไม่ใช่เราแต่ว่ามันยังรักมันยังหวงแหนในกายในใจนี้ต้องดูต่อไปอีกดูต่อไปถึงวันหนึ่งเราเห็นในกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนล้วนถ้ากายเป็นทุกข์ล้วนล้วนะมันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อหมดความยึดถือในกายก็จะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใสิ่งที่มาสัมผัสกาย คามและปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็จะไม่มีเป็นภูมิธรรมของพระนาคามีนะนั้นจิตใจของพระนาคามีก็จะเด่นดวงอยู่นั้นมีแต่ความสุขอยู่กับจิตจิตผู้รู้มีความสุขมากถ้าตามรู้ตามดู ต, มดต่อไปไม่นิ่งนอนใจนะจะไปเจอกับปรากฏการณ์ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี้มันจะเห็นเลยจิตนั้นจะพลิกตัวเป็นความทุกข์ให้ดูไม่ใช่จิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือจิตเป็นสุขมากๆแนละจิตกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆให้ดูนะ ถึงจุดนั้นนะถ้าอดทนได้นะตามรู้ตามดูไปได้ด้วยใจที่ตั้งมัน่นสู้ตายตายเป็นตายนะเพื่อได้รับความจริงยอมตายเพื่อสัจจะความจริงตามรู้ตามดูเรื่อยไปไม่ดิ้นรนหนีต่อไปละเพราะว่าไม่มีทางหนีละถ้าลงจิตเป็นทุกข์เราจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมหนีไปอยู่บนภูเขามันก็มีจิตนะจิตมันตามไปด้วยทุกข์หนุกแห่งไม่มีที่จะหนีเลยความทุกข์บีบคั้นจนไม่มีที่จะหยั่งลงในสังสารวัตนี่ต่อไปแล้ว จิตจะสลัดจิตทิ้งเรียปฏินิสักะมันสลัดคืนใจก็เข้าถึงทำล้วนๆคราว น, นี้มีแต่ความสุขล้วนๆ น, นะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่ปรัชญานะแต่เป็นศาสตร์ที่เราลงมือปฏิบัติตามเรียนรู้ตามนะแล้วเราได้ผลจริงๆเรพ้นทุกจริงๆไม่ใช่ปรัชญาที่คิดเล่นๆสนุกๆ น, นะหรืออย่างเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นนะมันไม่ใช่อุบายหลอกเด็กนะาศาสนาพุทธเนี่ย เป็นของจริงของแท้เพราะงั้นไม่จําเป็นต้องมาหลอกเด็กคนไหนไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเปนของจริงอ่ะส่วนเราจะเชื่อจะไม่เชื่อก็เรื่องของเราท่านไม่มาง้องงอนให้เชื่อด้วยซ้ำไปแต่ท่านท้าให้พิสูจน์เอทิปัสซิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูไหมล่ะมาลองพิสูจน์ดูวิธีพิสูจน์ก็บอกให้แล้วนะให้มารู้กายให้มารู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลาง รู้ลงไปสี่วันหนึ่งก็จะแจ้งของเราเองอถ้าเรารู้จิตใจของเรา ช, นชนานิชานาญเนี่ยเราจะรู้ทันจิตใจคนอื่นด้วยเราจะรู้เลยนะสัตว์ต่างๆมีจริงๆนะเปรตอสุรากายสัตว์นรกเทวดาพรหมมันมีจริงๆนะเพราะว่าใจของเราถ้าเราดูออกเนี่ยเราก็ดูใจคนอื่นออกมันจะไม่สงสัยต่อไปจะไม่คิดเลยว่าพระพุทธเจ้าหลอกเด็กเพราะเราไม่ใช่เด็กนะแต่เราโง่งกว่าเด็ก เพราะเด็กเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะส่วนเราเรียนอะไรยากมากเลยเราจะมีความคิดความเห็นอะไรของเราเต็มไปหมดนะขวางกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของตัวเองไว้เยอะแยะเลยวันนี้คุยได้ยาวซึ่งชั่วโมงใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญนะไม่มีหลวงพ่อจะได้ไปกราบรัศการหลวงพ่อครับ อยากเล่นถามหลวงพ่อว่าจิตที่ตื่นนี่คือจิตที่ไปรู้ไตรลักษณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่ตื่นเนี่ยนะคือจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลงไม่เผลอจิตที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยจิตที่ตื่นมันเป็นแค่นั้นเองนี่พอมันตื่นแล้วเนี่ยตรงที่จิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจิตที่มีสติแต่ว่าพอจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันต้องมารู้กายรู้ใจไม่ว่ามันมาเจริญปัญญา งั้นบางคนมันตื่นอยู่เฉยๆนะตื่นแล้วสว่างจ้าเฉยๆอยู่ยงั้นก็มีนะนี่พอมันตื่นแล้วเนี่ยสังเกตไหมใจมันทํางานต่อไหมหรือว่ามันไปอยู่กับความว่าง ๆ, ส ว, างๆสว่างสวายตื่นสบายอยู่แค่นั้ น, นต้องมาดูต่อบางคนตื่นแล้วก็ไปตื่นอยู่เฉยๆตื่นซื่อบือ้อตื่นขึ้นมาเนี่ยมันแค่มีสติไม่มีสติแล้วก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาเพราะในสติปัฏฐานนะจะทําไปเพื่อสองสิ่ง ทำไปเพื่อความมีสติละทำไปเพื่อความมีปัญญาเราหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจนะจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะของกายของใจของรูปของนามได้แล้วนะพอรูปนามที่จิตรู้จักแล้วปรากฏสติจะเกิดเองมันจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะมันจะไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมตัวแต่ขณะนั้นนะ่ะบางทีมก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นบางคนนะมันก็ต้องมารู้กายรู้ใจต่อไป แต่อาศัยการที่ได้ฟังว่าจะต้องรู้กายรู้ใจต่อไปเนี่ยพราะจิตมันตื่นแล้วจิตมันจะวกไปรู้กายรู้ใจนะมันจะไม่ไปแช่นิ่งอยู่กับความเฉยหลวงปู่มั่นถึงสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเพราะงั้นมันมี2ตัวนะจิตที่มีสติอันหนึ่งกับจิตที่มีสติและปัญญาอีกตัวหนึ่งงั้นอาศัยจิตที่มีสตินี่แหละเป็นจุดตั้งต้น เสร็จแล้วก็พอจิตมีสัมมาส ม, มาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนรู้คนดูขึ้นมามันจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นกายเห็นใจเห็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรานี่ขั้นเจริญปัญญาชั่วขนาดหนึ่งหมายถึงว่าเหมือนกับกระพริบตาเดียวเองใช่ไหมครับออใช่สั้นนิดเดียวนะถ้าพูดตามตำราเนี่ยกระพริบตาหนึ่งเนี่ยแสนกวดขนานะแต่ไม่จริงหรอกหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกอย่างบอกว่า ลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะจิตเกิดดับแสนโกรธขณะคําว่าลัดนิ้วมือคือการดีดนิ้วเนี่ยเนี่ยถ้าดีดช้าๆหน่อยก็ประมาณครึ่งวินาทีแสนโกรธขณะแล้วบอกว่าจิตขึ้นรับอารมณ์นะสิบเจ็ดขณะใช่ไหมเราหาออกมาได้ตั้งกี่พันล้านกี่พันล้านวิถีก็ไมรู้ท่า น, นสำนวนแขกนะคําว่าแสนโกรธอะไรเงี้ยสำนวนแขกแต่ว่าเยอะ ขณะต่อหน้าเรานี่แหละสำคัญที่สุดปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้านี่เองแต่คำว่าปัจจุบันมีหลายอย่างนะปัจจุบันขณะหมายถึงสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานี้ปัจจุบันสันติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันนี้นะเวลาดูกายเราดูลงเป็นปัจจุบันขณะเลยเวลาเราดูจิตใจนะเป็นปัจจุบันสันติหมายถึงเราตามดนะูตามดูสิ่งที่เพิ่งดับไปสดร้อน ก็รู้ลงไปทีละขณะอย่าประมาทขณะเดียวนะเวลาที่อริยมรรคเกิดเกิดขณะเดียวไม่เกิดสองขณะเลยนั้นขณะเดียวนั่นแหละคือปัจจุบันรู้อยู่ต่อหน้าหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปการรักษาการหลวงพ่อนะครับคือก็ฝึกดูจิตมาะระยะหนึ่งระยะแรกนี่จะเกิดอาการเพ่งมากก็คือจิตมันอยากเห็นการเกิดดับ ของเวลาเกิดความเฉยใช่ไหมครับพอมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ยังมาให้เกิดคือปกติเราคิดว่ามันเกิดปุ๊บต้งพาสติมาต้องแวบแวบแวบใช่ไหมครับแล้วเราอยากเห็นพอพออยากเห็นเนี่ยมันทําให้เราตึงทําให้จิตเราหนักหนักหน่วงหนวงแต่ว่าตอนหลังนี้คือพยายามแค่อยากรู้ว่ามันมันอยากให้เกิดดับนะหลังมันมันก็เลยเบาๆลงสบายขึ้นดี ใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม่หมดนะ <S <S ใช่ครับยังยังยังมีอยู่ <S <S มันยังเพ่งอยู่ <S <S ใช่ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่ า, <S <S <S าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเยอะมาก <S <S เออดี <S <S ครับผมแก้การเพ่งเนี่ยแก้ยากที่สุดเพราะเวลาเราเพ่งเรารู้สึกเราภาวนาดีจิตใจเราสงบจิตใจเรานิ่งกิเลสไม่มาอะไรเนี้ยเพราะฉะั้นส่วนใหญ่ติดเพ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อตะเวนไปดูผู้ปฏิบัตินะเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทั้งหมดติดเพ่งแล้วบอกว่าให้เลิกเพ่งไม่เชื่อนะโมโหอยู่นะ บางคนหลวงพ่อต้องใช้วิธีท้าลองมาลองรู้เฉยๆแบบไม่บังคับสักเดือนหนึ่งได้ไหมลองดูขอเดือนเดียวอ่ะถ้าไม่ได้ผลก็กลับไปเพ่งอย่างเก่ามีบางคนรับคําท้านะแล้วก็คลายการเพ่งออกแล้วตามรู้นะสองสามวันยังเข้าใจละกง่ายนิดเดียวเลยไปทำซะยากทำซะลําบากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งไม่ให้นิ่งๆนะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเข้าใจครับเอ้เข้าใจอย่างเงี้ยไม่เตะหลวงพ่อแล้ะ อขออีกคำถามนะครับอยากถามว่าสติของคนที่ไม่ได้ระดับรับฟังคำของพระพุทธเจ้านะครับคืออาจจะเป็นของศาสนาอื่นอย่างเงี้ยครกับสติของผู้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับต่างกาันนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจในขณะที่สติทั่วๆวไปในาศาสนาอื่นหรือคนที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานหรือคนที่เจริญสติปัฏฐานแต่ขณะนั้นไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน เป็นสติที่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปนะเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยนะจิตใจมันมีสติเหมือนกันแต่เป็นเป็นสติที่เป็นกุศลแบบธรรมด า, รรมดานะเป็นกุศลที่จะพาไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนสัมมาสติหรือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นสัมมาสตินะนท่านอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน คือต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายตัวรู้ใจตัวเองนะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาชั้นสูงนะเรียกว่าวิปัสสนาปัญญากุศลชนิดนี้ไม่ใช่นําไปสู่ภพภูมิที่ดีกุศลชนิดนี้นําให้ข้ามภพภูมิไดนะ้เข้าสู่มรรค น, นิพพานได้ดังนะนั้นกุสติทั่วๆไปนะคนาศาสนาอื่นก็มีนะาาศาสนาอื่นเขาก็มีเวลาจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะ ก็ถือว่าเขามีสติเหมือนกันมีมีสติจับอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลงั้นนานๆ น, น, นะถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงจะเกิดการเจริญสติปัฏฐานสักครั้งหนึ่งหลวงพ่อถึงบอกในช่วงเนี้เป็นนาทีทองนะในสังสรารวัตรนี่มีนาทีทองแบบนี้ไม่บ่อยนะักนานๆจะเกิดคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นสักครั้งหนึ่งเมื่อเก้กับก่อนมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ชื่อพระวิปัสสีถัดจากนั้นเว้นไปไม่มีพระพุทธเจ้าอีก6กบกลับหมายถึงจักรวาลเกิดและดับอย่างนี้หกสครั้งไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อส1ิเกลับก่อนมีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระสิกขีกับพระเวสสุผูแล้วก็เว้นมา30กลับนะเพิ่งมามียุคพวกเรานี่เองนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดคำสอนเลือกสติปัฏฐานสักครั้งหนึ่งเราะนั้นพวกเราต้องรีบศึกษานะถ้าพลาดแล้วเนี่ย โอกาสที่จะเจออีกหายากคนส่วนมากที่ตายเนี่ยจะไปอบายนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะคนส่วนมากไปอบายนะไม่ไม่ใช่ไปสุคติส่วนมากไปอบายดะงั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมนี่ยากที่สุดเลยเพราะงั้นแต่ยอย่าละเลยนะรีบศึกษาอดทนนิดนึงจะชอบใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือไม่ชอบใจไม่สําคัญนะ หลวงพ่ขอขอชวนเท่านะั้นน่ะชวนลองทิ้งของเก่าชั่วคราวถ้าใครเคยฝึกเพ่งๆมาฝึกกำหนดมาลองทิ้งชั่วคราวนะแล้วมาหัดรู้สึกมาหัดรู้สึกกายมาหัดรู้สึกใจฝนะึกอยู่สักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี้ยจะเห็นความแตกต่างะพอเห็นความแตกต่างแล้วเราจะรู้เลยว่าธรรมะนี่นะเหมือนเส้นผมบางผูกเขาแท้ๆเลยเราไปเที่ยวหาธรรมะที่ไกลเกินไปที่ยากลําบากเกินไป อยู่ไหนอยู่ไหนยกมือหน่อยข้ารุมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับสภาวะของการติดบุญนะคะก็เคยฟังพระอาจารย์พูดค่ะสภาวะติดบุญค่ะก็ดีกว่าติดบาปเนาะ <c oughs> <c oughs> คือสภาวะทั้งหลายเนี่ยเราติดได้เท่านั้นนะถ้าเราไปเพลิดเพลินพอใจมัน แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราอย่างเราทําบุญเราเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราเกิดความพอใจในความสุขนั้นเรามีสติรู้ทันว่าเราเพลิดเพลินพอใจมันจะไม่ติดหรอกแต่ถ้าจะต้องติดก็ติดบุญไว้อย่าไปติดบาปติดบุญเราก็จะทุกข์แบบคนดีเช่นเราเห็นคนไม่ดีเราปลุมใจหรือเราเห็นใครต่อใครเราอยากชวนให้เขาเป็นคนดีบ้างเขาไม่เป็นแล้วเราโมโหเป็นพวกติดบุญ แถวนี่ก็มีหนะ้าลูกศิษย์หลวงพอ่อที่มาเรื่อยๆเนี่ยมีนยกมือหน่อยใช่ไหติดบุญไม่กล้านะวันๆนั้นนะคิดเรื่องทําบุญแต่ก่อนเนี้คิดทําบุญนะวิ่งรอบเดินสายนะคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งเลยเนะช้าไปวัดนี้สายไปวัดนีนะ้รู้เวลาหมดเลยนะครูบาอาจารย์องค์ไหนรับแขกตอนไหนนะไปทําบุญตะเวยไปเรื่อยๆไปหาหลวงพ่อนะโดนหลวงพ่อแซวเรื่อยแซวแซวเดี๋ยวนี้เป็นนักภาวนาละ ถามว่าเราทําบุญไหมทาบุญไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทําบุญแบบประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาแลไม่ได้เพลิดเพลินเมาบุญบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยอย่างเราเกิดศรัทธาแก่กล้านะเราขายบ้านไปได้มาล้านหนึ่งเอาไปถวายวัดนะรื่มใจกลับมาบ้านไม่มีบ้านอยู่เห็นไหม สามีก็เตะลูกก็ด่าอนะไร้ใจตกเลยเนหะ็นไใจเศร้าหมองเนะี่ยบุญอย่างนี้กับพล่องกับแพรงเรียกว่าบุญไม่ฉลาดบุญทำร้ายตัวเองนะงั้นเราจะทำบุญก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองบุญที่ไม่ต้องเสียสตังอนะมีเยอะกว่าบุญที่ต้องเสียสตังนะในกุศลกรรมบทสิบอย่างหรือบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนะบุญที่ต้องเสียสตังนะ อ, ง อ, องน ะ, องะงนะมีหนึ่งในสามของสิบอะนะ เป็นวัตถุฐานเท่า น, นั้นเองทานยังมีทั้งหลายอย่างอภัยทานเงี้ยคนมาด่าเราเรายกโทษให้นแต่ไม่ใช่ว่าเขามาว่าเรานะคนนี้เป็นคนทานมาเกเรเราแล้วมาเดี๋ยวก็ขอขมาแล้ะอีกวันนึงด่าอีกแล้วเนี่ยเราก็คบเหมือนเดิมนี่เรียกว่าไม่ฉลาดนะเราไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้อาฆาตแต่เราเลือกคบคนใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนนะแม้บางคนมันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องมือ ตัวเก่อกรรมทําชั่วกับคนอื่นแล้วก็คอยไปขอขอมาขออภัยเดี๋ยวก็ทําอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้คบคนผานนะคนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็เรียกว่าคนผ่านหรือเราครบใครแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมไปคนอย่างนี้เราก็ไม่คบเหมือนกันไม่ใช่ว่าใจเราเป็นกลางแล้วต้องคบกับคนทุกคนเสมอการนะเรียนธรร ม, มะต้องฉลาดนะไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสบ้างตกเป็นเครื่องมือของคนที่อ้างธรร ม, มะบ้าง หรืออย่างทําบุญทําทานทําบุญทําทานไม่ใช่ทําแบบทุ่มเทหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่การทําทานคือการหัดเสียสละความยึดถือในตัวเองนั่นแหละค่อยๆหักไปหรืออย่างเรามีความรู้แล้วเราหวงความรู้ฝรั่งมีนิสัยอย่างนี้นะมันจดลิขสิทธิ์หมดเลยของคนไทยไม่จดลิขสิทธิ์นะเอาขึ้นอินเทอร์เนต็ตบอกเลยฝรั่งมันรู้มันเอาไปจดแทนของเราแจก ของเราได้ถูกฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้จิตใจอย่างนี้แหละเวลาที่เราไปภาวนาถึงจุดที่แตกหักนะไได้มาใช้นะเรากล้าสละชีวิตเพื่อทำหรือเปล่าถ้าเราเคยกล้าเสียสละของเล็กของน้อยมาก่อนนะจนสุดท้ายไม่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้นั่นกุศลเล็กน้อยไม่ละเลยแต่ว่าต้องมีสติมีปัญญากำกับตลอดเลยหรือทำสมาธินั่งแล้วก็ นะทุกวันก็นั่งอีท่าเนี้ยหลวขพอขอแนะนําให้ไปหาหมอนคอมาใส่นะอการกระดูกคอชํำลุดมันได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้ความภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าฉันได้ภาวนางั้นต้องรู้สึกตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวไม่ขาดสติสติจําเป็นตลอดศีลสมาธิปัญญานี่อาศัยสติกํากับอยู่ตลอด ขาดสติไม่มีศีลขาดสมสติไม่มีสมาธิขาดสติไม่มีปัญญางั้นจะลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจไม่ได้ต้องรู้สึกไหมแต่รู้สึกกายรู้สึกใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจต้องระวังนะเกือบทั้งหมดไปเพ่งกายเพ่งใจให้เรารู้สึกเอาหมดยังหลวงพ่อจะได้ไปขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้มานั่งฟังตอห น, น้าครูบาอาจารย์ ที่ผ่านมาก็ฝึกด้วยตัวเองมาบ้างนะครับก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่สองคำถามนะครับ อ, อจะมีบางครั้งรู้สึกบางวันมันเหมือนกับมันก็รู้ตัวด้วยตัวเองไปได้เรื่อยๆทําได้ง่ายบางทีเหมือนกับจะเหมือนกับรู้ตอนเผลออาจารย์เผลอๆมันก็รู้ขึ้นมาเอง เ, ออเป็นขณะภาวนาเป็นเผลอไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเผลอไปแล้วรู้สึกขึ้นมาดี จะมีบางวันเหมือนกับเด็กหัดใหม่ครับแย่กว่าเด็กหัดใหม่อีกครับเป็นอย่างนั้นทุกคนนะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือของอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนะไม่มีใครเรียกท่านว่าหลวงตาบัวเลยเราเรียกท่านท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านท่านสอนไว้บอกว่านักปฏิบัติทุกคนนะบางวันเนี่ยเหมือนมรคนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันหายไปเลยทําไม่เป็นแล้ว เวลาที่มันหายไปเลยทําให้เป็นเนยคล็ดลับสําคัญนะอย่าตกใจอย่าดิ้นรนว่าทํายังไงมันจะกลับคืนมาให้รู้เฉยๆนะว่ามันหายไปหมดแล้วทําใจให้สบายพุโทโธไปไหว้พระสวดมนต์พุโทโธหายใจอะไรไปเล่นๆอย่างนั้นน่ะนะประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตใจสงบจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมันกลับมาดูได้ละแต่ถ้าเราตก อ, อกตกใจเวลากรรมาฐานเสื่อมไปนะภาวนาวันนี้ทําอะไรไม่เป็นแล้วงงไปหมดแล้วเราตกใจเราดิ้นรนนะ เสื่อมนานเสื่อมได้หลายๆเดือนเลยพนอะหลายเดือนนานๆานฟอไปเลยเลิกปฏิบัติก็มีนะเพราะงั้นเวลาที่มันเจริญก็อย่ายา่มใจเวลาที่มันเสื่อมอย่าเสียใจค่อยรู้ไปเจริญได้ก็เสื่อมได้ความเสื่อมก็เป็นธรรมะนะไม่ใช่ความเจริญเป็นธรรมะอย่างเดียวความเสื่อมก็เป็นธรรมะสอนเราอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ดีแล้วล่ะ แต่ว่ายังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงนะอาคุณตรงเข้ามากับเขาด้วยเรียวหลวงพ่อขอประท้วงนิดนะึงพวกที่ไปวัดหลวงพ่อแทบทุกวันจะไปตามมานนี่ด้วยคือตอนนี้จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อตอบพี่คนเมื่อคืนผ่กหนูก็ตอนนี้ยังดิ้นอยู่อะค่ะ ก็ตอนนี้บางทีอย่างหลวงพ่อบอกว่าถ้าคิดอยู่ให้รู้ว่าคิดอยู่หนูก็คิดอยู่แต่พอรู้ว่าคิดเปิบมาค่ะหนูไม่รู้ว่าตรงไหนอะ่ะมันมันขึ้นมาค่ะว่าอยากมันขึ้นมาเองหนูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงหนูคิดหรือว่าหนูอยากเพราะว่าหนูยังไม่ทันรู้สึกว่าเราอยาก ในสิ่งที่คิดแต่ว่าความอยากมันผุดขึ้นมาเองแล้วค่ะความอยากมันผุดขึ้นมาเองก็ถูกแล้วเห็นไหมมันผุดได้เองหน้าที่ของเราก็คือไปรู้มันอะไรที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันแล้วก็รู้อันนั้นแหละไอ้เรื่องที่คิดเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่ต้องไปหามันแล้วรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วไม่พลาดหรอกถ้าทิ้งปัจจุบันก็พลาดละแต่เราก็ไม่รู้ว่าว่าที่ผ่านมาเราไม่จําเป็นแล้วมันจบไปแล้วแล้วเราไม่คลําครวนถึงอดีตแล้ เราเห็นปัจจุบันว่าความอยากอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาแล้วความอยากก็ดับไปดูแค่นี้พอละต่อไปตัวอื่นผุดขึ้นมาก็รู้ไปอีกสังเกตไหมมันผุดขึ้นที่เดิมนั่นแหละใช่ค่ะนะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกใช่ค่ะในตําราอภิธรรมเขาเรียกหาทยรูปแต่ไปอธิบายหาทยรูปว่าอยู่ในหัวใจไม่ได้อยู่ที่หัวใจหรอกเวลาผ่าหัวใจไม่เห็นมีใครเจอเลยน้ําเลี้ยงหัวใจสีนั้นสีนี้ไม่มีมันเป็นวิทยาการคนโบราณยุคนั้น ตัวหัตยรูปหรือตัวหักไข่คือจุดซึ่งนามธรรมาปรากฏขึ้นมาฝุดขึ้นมาถ้าเราภาวนาเห็นมันฝุดขึ้นกลางอกเรานี่กราบนำ้ำมศกาหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันเคยกาบเรียนหลวงพ่อว่าเคร่งนะเจ้าค่ะทีนี้หลวงพ่อก็เคยบอกว่าเหมือนกับออกมาทีนี้บางวันเหมือนกับเขาไปล็อกไว้เจ้าค่ ะ, ะดีที่เห็น แต่เดิมคิดว่าล็อกไวแล้วดีนะคิดว่าการภาวนาคือการล็อกใจให้นิ่งนะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราไปล็อกไว้ดีแล้วฮะใช้ได้ไงถึงบอกว่าดีแล้วไงกวามจริงเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องถามก็ได้จะบอกให้นะฟังเล่นๆไปเถอะฟังแล้วสังเกตใจตัวเองจะ เ, เกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ นี่ก็ภาวนาเป็นแล้วนะไม่จําเป็นต้องถามนะถ้าต้องถามทุกคนเนี่ยคนที่ไม่ได้ถามเดี๋ยวเสียใจรู้สึกโอ๊ยฉันเข้าคิวแล้วสงสัยไม่มีเส้นอย่างเงี้ยหรือคนอยู่นอกๆไม่รู้จะถามยังไงนะเดี๋ยวจะเสียใจจริงๆไม่จําเป็นต้องถามหรอกะสภาวะทำใดปรากฏขึ้นแก่กายแก่ใจเราเราคอยรู้ของเราไปลงเป็นปัจจุบันไปไม่เห็นจะต้องถามใครเลยเพราะทั้งหมดสอนธรรมะเราอยู่แล้ว หลวงพ่อสอนธรรมะเราไม่ได้ไม่มีใครสอนธรรมะเราได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านไม่ใช่ผู้ให้ธรรมะกับเรานะท่านเป็นคนบอกทางให้เราจเจริญสติมารู้กายมารู้ใจแล้วธรรมะเนี่ยเรารู้ขึ้นด้วยตัวเองเรียก ว, ว่าวินยูชนรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นธรรมะเป็นของเฉพาะตัวแบ่งกันไม่ได้เหมือนอย่างความสุขเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวนะความสุขทา ง, ทางใจนะความสุขทางกายเนี่ย เขามไม่มีเสื้อใส่ให้เขาอะไรเงี้มันก็มีได้ความสุขในใจเนี่ยต้องทำขึ้นมาเอางมรคนิพพานนะต้องสร้างขึ้นเองค่อยๆฝึกค่อยรู้กายค่อยรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ไปถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยว่าไม่มีใครทำมรคนิพพานให้เกิดขึ้นได้หรอกมันเกิดเองเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำความโกรธให้เกิดหรือห้ามความโกรธได้หรอก มันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจนะเราก็เข้าถึงทำแท้ๆมีความสุขล้วนๆเลยบรรดาคำถามทั้งหลายมันมาจากความคิดมาจากความคิดนะที่เราคิดแล้วเราก็จะสงสัยพอไปถามมาเราได้ความรู้ความรู้ที่เกิดจากการฟังไม่ใช่ความรู้แท้ๆ ความรู้แท้ๆเกิดจากการเราเข้าไปเห็นเองเห็นกายเห็นใจของเราแสดงใจลักษณ์นี่แหละถจะเป็นความรู้ที่แท้ จ, จริงจะพ้นทุกได้จริงๆนั้นถามหลวงพ่อถามได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์มีไม่มากสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยถามอะไรท่านหรอกนะนะเวลาไปหาท่านไปฟังธรรมนะฟังสิบห้านาทียี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรรู้เรื่องล้วก็ไปลน ะ, นะไม่มอยู่เสียเวลา ถ้าเรารู้สึกนะเราจะตายเมื่อไรเรายังไม่รู้เรายังมีกิเลสที่ต้องสู้ของเราเองเราจะต้องใช้เวลาส่วนมากเลยนะมาเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆเรียกว่าไม่ประมาะกทกระทั่งเราไปนั่งเฝ้าครูบาอาจารย์ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะหรืออย่างว่าเฝ้าครูบาอาจารย์อย่า ง, างพระวักกลิเป็นตามพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนท่านยังว่าประมาทเลยไม่ว่าไม่เห็นธรรมะไม่ได้ดูธรรมะเห็นแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้ายัางประมาทอยู่ งั้นทำมาแท้ๆนะอยู่ที่กายกับใจของเราคอยดูใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามรู้ลงไปวันหนึ่งมันก็เข้าใจความจริงทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยตัวเองหลวงพ่อถามครูบาอาจารย์ไม่ถามเยอะจะไปถึงก็จะไปบอกเลยครับก่อนหลวงปู่สอนอย่างนี้ผมไม่ทําแล้วมีผลเป็นอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดแล้วก็ให้ช่วยบอกหน่อยจะ แ, แก้อย่างไงถ้าถูกแล้วจะทํายังไงให้ดียิ่งกว่านี้ ครูบาจารย์ก็จะตอบว่าก็รู้แล้วอ่ะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วมันจะทําอะไรยิ่งกว่านี้อ่ะมันถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แล้วตอนไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่กับท่านได้ปีกว่าๆเองหลัจากนั้นจะไปหาหลวงปู่เทศบ่อยไปถามหลวงปู่เทศทุกครั้งอ่ะแล้วท่านจะตอบเหมือนกันทุกทีอ่ะอยู่อย่เงี้ยก็มีสติแล้วจะเอาอะไรมีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจไปสิวันหนึ่งมันก็พอของมันเองอ่ะ เหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมใจเราก็เหมือนผลไม้นะรอเวลาที่มันสุกงอมอย่าไม่ต้องไปรีบบ่มมันนะไม่อร่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตกราบ น, นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะจะยกมือให้หลวงพ่อดูหน่ยอย<อ>พอดีโยมไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกอะคะ่ะแล้วก็ ตอนที่ติดตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วโยมรู้สึกว่าคือร่างกายอยู่ๆมันก็เหมือนค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็เหมือนลมหายใจมันจะหมดไปอะค่ะเสร็จแล้วโยมเหมือนเหมือนอึดอัดจนแน่นเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะหายใจมาทีนึงแล้วยมจะแน่นหน้าอกมากค่ะแล้วก็พอเหมือนพยายามหายใจอีกแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอึดอดัด เวลาที่ตามรู้กายรู้ใจเรารู้สึกว่ามันสงบอะคะไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงคะอย่าอย่าไปจงใจปฏิบัติแล้วก็อย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปเพ่งกล้างกายพอเราไปเพ่งมากเข้ามากเข้านะมันจะเหมือนเราไม่หายใจถ้าเรามันไม่หายใจแล้วเราไม่ตกใจนะมันจะเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนังมันอยู่ได้น้ําอยู่ได้นานเลยนี่ส่วนใจพอเราไปถึงตรงนี้แล้วตกใจ หรือว่าพอใจเราเคลื่อนนไม่รู้สึกอื่ น, นัที่ทําอยู่เป็นสมถะนะยังเป็นสมถะอยู่ถ้าวิปัสสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะหายใจสงบหรือไม่สงบนะไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้คนที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเดินวิปัสสนาจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าใจเราไปจับนิ่งไว้อยู่กับลมนะ นิ่งไปเลยจนกระทั่งไม่หายใจแล้วก็นิ่งๆลงไปเลยนะมันเป็นการทำสมถะเราจงใจปฏิบัติแรงเกินไปมากไปพยายามออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากๆเช่นเราไปอยู่วัดก็ออกมากวาดวัดออกมาทำงานอะไรเงี้ยนะบางวัดมีครัวนะไปช่วยเขาทำครัวครัวเนี่ยเป็นที่ฝึกกรรมฐานที่ดีที่สุดนะของผู้หญิงเวลาอยู่วัดเพราะคนชอบไปนินทากันในครัวไปทะเลาะ ก, กันในครัวใช่ไหม หรือไปกระทบกระทั่งชั้นทำเธอไม่ทำเนี่นมาตั้งแต่ตีสามเธอมาตีหนะ้าอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีโอกาสได้ดูเน่เรานั้นเราพยายามออกมาอยู่กับโลกข้างนอกให้มันมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจจะได้ไม่ไปติดเฉยนะอย่าบังคับใจให้นิ่งอย่างบังคับนิ่งอยู่ขอบพระคุณค่ะกราบนมัศการหลวงพ่อครับได้ฟังเรื่องอ่า การไม่ประมาทในอากุสนลธรรมที่หลวงพ่อเทศเมื่อเมื่อเช้าครับก็วันนี้ผมจะมาขอขอมาหลวงพ่อครับว่าผมเคยโกหกหลวงพ่อเรื่องการรายงานผลนะครับไอ้เรื่องโกหกรายงานผลเนี่ยเป็นเยอะแต่เ็าไม่มาบอกนะหลายคนเลยเวลาไปหาหลวงพ่อนะนั่งปั่นกันบ้านต้องเตรียมนะทุกคนอะ่ะต้องเตรียมถ้าหลวงพ่อพูดด้วยจะตอบว่ายังไงที่จะไม่ถูกด่า เวลารายงานหลวงพ่อนะคำว่าพยายามอย่าหลุดออกมาน ะ, ะถ้ามีคำว่าพยายามปุ๊บจะถูกเล่นงานละอย่างนี้นเป็นทุกคนแหละบางคนนะแต่งเรื่องขึ้นเลยล้วนๆเลยก็มีนะก็เคยรายงานว่าก่อนที่จะมาฝึกดูจิตนี่ผมไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนแต่ว่า ผมเคยฝึกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรูปแบบของพระพุทธศาสนาครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการหลงเพ่งเอาชัดๆเลยครับก็เลยไม่ได้เอามาอะไรางานสมถะเนี่ยนะไม่ใช่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วมีมาก่อนพระพุทธศาสนานะนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ท่านไม่ได้รังเกียจท่านก็เอามาใช้ประโยชน์เห็นไหมพระพุทธเจ้าใจกว้างนะไม่ใช่ถือว่าเราไม่ได้คิดเองแล้วเราไม่เอาไม่ไม่เท่ไม่ใช่ท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเห็นไหม สมาธิเรื่องของสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหลวงพ่ อ, อยังเคยพูดบ่อยๆไปเลยอย่างบางคนนะหลวงพ่อมีเพื่อนเป็นมุสลิมนะเพื่อนสนิทกันเลยล่ะเราก็พุทธเคร่งครัดเขาก็มุสลิมเคร่งครัดเป็นเพื่อนที่ดีกันเขาละหมาดวันละห้าครั้งเราน่าอายมากเลยเราไหว้พระวันละครั้งเลยบอกโอ้ทําไมเขาทาได้การที่เขาละหมาดวันละหครั้งนั่นก็คือสมาธินั่นเอง เวลาเขาคิดถึงพระเจ้าจิตใจเขาจดจ่อยอยู่กับพระเจ้าจิตไม่กำเริบไปแนวกุศลอื่นึงจิตเขาได้บุญได้กุศลจิตเขามีสมาธิหรือพวกชาวคริสต์นะเขามีลูกประคำเหมือนกันนะนับรูกประคอะไรเงี้ยจิตใจเขาสงบเขาก็เป็นสมาธิหรือศีชีพใครเขาก็ทําสมาธิเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวล น, นะเรื่องทําสมถะนอกศาสนาพุทธนะ่ะแต่ว่าอย่าไปทําแบบบางอันนี่มันทําแล้วต่อการเจริญสติยาก อย่างเราไปนั่งเพ่งจุดไฟแล้วก็เพ่งไหมอะไพวกนี้พวกนี้มันจะดูออกดูออกไปแล้วจิตมันจะไปเกิดดวงสว่างขึ้นข้างนอกแล้วออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นข้างนอกง่ายทำสมถาก็เอาสมถาอะไรที่มันเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจเนี่ยมันมาต่อวิปัสสนาง่ายหน่อยเช่นดูท้องของยุกก็ได้ดูท้องฟองยุกส่วนใหญ่เป็นสมถะเพราะจิตไปเพ่งท้อง พอจิตทำจิตเพ่งท้องไปยืยเพ่งเบาๆนะอย่าเพ่งแรงถ้าเพ่งแรงเราเครียดอึดอัดไม่สงบเพ่งอย่างสบายรู้ท้องไปอย่างสบายๆายเดี๋ยวเดียวจิตสงบจิตสบายนี่ได้สมถะละนะพอจิตใจมีความสุขมีความสบายมีสติรู้จิตที่มีความสุขความสบายนี่เจริญปัญญาต่อละนะั้นสมถะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรกระทั่งเราท่องพุโทโธเราบอกว่าเป็นสมถะในศาสนาพุทธนะท่องพุโทโธพุโทโธไปด้วนยะ จริงก็คือคําบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได้นมาสนาไสการคะ่ะท่านเดียห์ท่นเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเกนแต่สนใจนะคะก็จะหาทางว่าจะปฏิบัตินะะี่ค่ะก็ดียห์นก็เพียงจะทราบถึงว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งอะไรต่างต่างเนี่ยมันบังคับไม่ได้อ <c oughs> ดียห์ทนมีทราบอยู่แค่นั้น ทีนี้การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือต้องการที่จะให้มีสติแล้วก็รู้กายรู้ใจเนี่ยค่ะิฉันไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนโยมมีลูกมีหลานอะไรไหมเออก็มีแต่ลูกหลานก็ดีฉันก็ถือว่า เด็กพวกนี้ก็ไม่ไม่อะไรนะคะไม่ได้เรื่องเราเราสังเกตนะเนี่ยอยากทํากรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อจะแนะกรรมฐานให้ดิ้นสมถะที่ท่านเอ อ, เ อ, อดิ้นก็กําหนดอะไร ไ, ไปไเองอะนะคะไ ม, ไม่ใช่สินี่ไงหลวงพ่อจะให้กันบ้านละค่ะค่ะเราเอาลูกเอาหลานเรามาเป็นกรรมฐานอ่า <c oughs> พอเรานึกถึงลูกหลานเราแล้วแหมมันมันไส้มันลาคาญเนี่ยรู้ลงที่ใจของเราใจเราไม่ชอบใจละ โมโหโธโศขึ้นมาเราดูตรงนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วเราดูที่ใจเราเราเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆพอคิดถึงลูกหลานแล้วใจไม่ค่อยสบายเนี่ยดูไปใจไม่เที่ยงนี่ยดูอย่างนี้นะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมนะมายิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยทำกรรมฐานละเลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรบ้างไหมหรือทากิจจะทอะไรบ้างแต่หลานเลี้ยงเนี่ยค่ะเหรอค่ะแล้วชอบทาอะไรบ้างอะ เออชอบทําอะไรบ้างก็ชอบทําสวนเออทาสวนก็ได e ้ค well, ่ะนะอย่างเราทําสวนน้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เรางอกงามเราพอใจเรารู้ว่าพอใจวันนี้นอนมากินต้นไม้เราเราโมโหรู้ว่าโมโหนี่แม้ทําสวนก็ทํากรรมฐานได้อย่างนั้นดิ่ันก็รู้อยู่แล้วค่ะเออรู้เยอะๆะค่ะคือคือคือถ้าเผื่ว่าอย่างนั้นดิฉันก็แสดงว่าดิ่ันทำกรรมฐานอยู่แล้วเออทาไปเรื่อยๆเวลาที่ทําสวนดิฉันก็รู้สึกของดิ่ันอย่างนั้นแล้วต่อไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เพิ่มอีกอันหนึ่งนะไ อ, อตอนทําสวนแล้วนอนมากินแล้วโมโหรั่วโมโหอันนี้ใช้ได้ละต่อไปนี้ใจเราแอบไปคิดให้รู้อ่วไปคิดอ๋อค่นะใจแอบไปคิดค่ะนะเดี๋ยวมอบไปสมัครเรียนไปลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อนันนี้อยู่มเนี่ยเนี่ยทีมสีแปลกๆปกเนี่ยเขาเรียกสีอะไรหลวงพอ่อก็ไม่รู้จักสีกุหลาบเก่าเก่า แล้วท่านมีหนังสืออะไรบ้างไหมคะมีมีเดี๋ยวลองไปขอกรดูน ะ, ะ, ะแล้วเอาซีดีไปฟังนะเราไปหัดดูตรงที่ให้รู้ทันตรงที่ใจหนีไปคิด่ะเพราะเวลาใจเราไปคิดนะเราก็จะน้อยเนื้อน้อยใจอะไรเงี้ยเห็นมต้นทางของมันก็คือใจเราหนีไปคิด น, นั่นเองถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเราก็จะมีความสุข ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไปฝึกตามรู้อะค่ะคือรู้แล้วบางอารมณ์อย่างเช่นอารมณ์กโกรธหรือขัดใจรู้แล้วมันทุกข์ด้วยอะค่ะท่านแต่ก็ทนทนดูทนรู้รู้ไปบางครั้งก็ได้แต่รู้ไม่ทุกข์เดี๋ยวบางครั้งก็รู้แล้วทุกข์อีกอะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าจงใจรู้มันจะทุกข์ะนะถ้าไม่ได้จงใจรู้นะแม้ความทุกข์ปรากฏอยู่เราก็จะเห็นความทุกข์อยู่ห่างๆความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอก จิตเป็นแค่คนไปรู้ความทุกข์เข้าแต่ถ้าเราไปจงใจรู้นะมันจะแน่นๆน่นขึ้นมามันจะทุกข์ไปด้วย <Okay. S 2> หรือว่าพอเราไปเห็นความทุกข์แล้วเราไม่ชอบมันอยากให้มันหายพอเรามีความอยากเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกมีทุกซ้อนทุกไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ค่อยๆศึกษานะ <Okay. S 2> แล้วเราจะเข้าใจคําว่าทุกข์นี่เป็นคําที่กว้างกวางมากเลยค่ะอย่างนั้นก็ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนทำเล่นๆน ะ, ะ, นๆนะทำเล่นๆอย่าทําแบบเคร่งเครียด ถ้าทำแบบเคร่งเครียดจะมีความทุกข์เยอะเลย ท, ทำเล่นๆเนช่นเราเดินเดินอยู่นะ่เห็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆใจเราชอบขึ้มารู้ว่าชอบนะไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ใจแล้วก็เดินตาขวางๆไปเพนะราะจ้องอยู่ที่ใจเจออะไรแล้วก็เฉยๆอย่างนี้มีแต่ความเครียดใช้ไม่ไดนะ้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกนั้นนะอย่าไปดักดูถ้าดักดูแล้วจะเครียด าาาา ก, การน้ำมาสการหลวงพ่อนะครับ เ, เมื่อตะกี้มีคําถามมาหนึ่งที่ว่าจากจิตนะฮะถึงสภาวะตื่นรู้แล้วก็แช่แล้วก็จิตตื่นแล้วก็ไปปัญญาระหว่างสองขั้นตอนนี้เนี่ยเราเราผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามของมันเองตามอัตโนมัติหรือเราจะมีกุศลระบายอะไรที่จะทํางานอันนี้ไหมเราต้องฝึกให้เราเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญานะแต่ถ้าเราไม่ได้ มีสัมมาสมาธิพอเรารู้สึกขึ้นมาไมรู้สึกแล้วเฉยๆอยู่งั้นนะจะไปแช่นิ่งๆอยู่กว่าความเฉยๆนะถ้าเรารู้สึกซ้อนเข้าไปอีกทีเราจะเห็นเลยความเฉยๆนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูอีกนในส่วนมันจะแยกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูออกไปแล้วก็เห็นเลยทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดตัวจิตผู้รู้เองเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงตัวนี้ดูออกไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เจียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลง เนีดูทุกอย่างไปจริงๆคือตอนนั้นเราเลือกไม่ได้น ะ, ะที่คุณถามถามสุขซ่องแล้วคือปล่อยไปตามบทตรรมเราเราแต่ว่าไม่ให้ปล่อยตามยาถากรรมตาม <นะ S 2> ภูมิปัญญาเราเราต้องพัฒนาสิ่งที่เอื้ออํานวยที่จะให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิถ้าเราไม่พัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมานเรามีสติเราไปเพ่งไปจ้องเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญามันจะนิ่ง แต่ถ้าเราคัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเกิดปัญญามจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรู้นี่รู้แต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยก็คือตามดูอย่างที่แต่เราเราทำเหตุอย่างนี้น ะ, ะส่วนผลเนี่ยขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็รู้เฉยๆบางครั้งก็รู้แล้วมีปัญญาบางครั้งไม่รู้อะไรเลยหลงไปเลยเป็นพล<ห>ิกไปพลิกมาได้ทุกแบบนะเห็นหลวงพ่อบางองค์บอกว่าพอถึงตรงที่แช่แล้วเนี่ยเราต้องดึงเอาข้อธรรมมาธรรมวิจัย อะไรเนี่ยตรงนี้เราต้องทํำไหมหรือว่าคือตรงที่จะธรรมวิจยะเนี่ยนะแต่ธรรมวิจัยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคิดธรรมะธรรมวิจยะคือการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจอันนั้นแหละเรียกว่าธรรมวิจยะหมายถึงว่าเราตามรู้เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนี่แหละคือธรรมวิจยะองค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพธชงคือสมาธิจิต เพราะฉั้นทำนั้นวิจัาณไม่ใช่การคิดเอาแต่ว่าถ้าใจของเราไปติดนิ่งติดเฉยเนะี่ยการคิดเป็นอูบายอูบายนะมีแค่อูบายเป็นแทคกติกเป็นกลวิธีนะเช่นพาใจเรามันนิ่งภาวนาพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วใจมันสว่างแล้วมันจเฉยอยู่อย่างนั้นนะ่ะครูบาอาจารย์ก็ออกอูบายให้มาคิดพิจารณากายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตทํางานไม่ให้จิตติดเฉยนะพอจิตคิดคิดคิ ด, คดไปหน่อยหนึ่งฟุ้งซ่านก็กลับมาทําความสงบ สงบแล้วก็ออกมาคิดพิจารณาอีกนี่เป็นเรื่องอุบายแต่พอหมดเวลาที่จะพุทธโทพิจารณากายแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ยืนเดินนั่งนอนต้องมีความรู้สึกตัวรู้ว่าไอ้รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญาจริงๆจะ จ, จะได้มรล่ผลหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้แหละคือ คือครูสุรบายนตอนที่ดึงมาพิจารณานี่ก็ทำได้ไ ด, ได้ใช้เมื่อจำเป็นผมกับใช้เมนะื่อใช้เมื่อใจนะไปติดเฉยนะกับเรียนหลวงพ่อพอดีผมเป็นมวยวัดใช้การศึกษาเออ่านเอาแล้วก็ น, นันานาจะมาพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ทีไม่ทราบที่ผมผ่านมานี่ที่ผมปฏิบัตินี้พอจะใช้ได้ไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาคือสติแท้ๆยังไม่เกิดสมาธิที่จะมาสมาธิแท้ๆยังไม่เกิด จิตยังหลงอยู่ในความคิดอยู่ครับค่อยๆไปดูนะค่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะนี่วันนี้ทำไมมันยาวมากการนมันสการหลวงพ่อค่ะไหนๆอยู่ไห น, อ, น, นอ่อว่าไปคือปกติหนูติดเพ่งอะคะ่ะแล้วก็ฟุ้งซ่า น, นะคะแล้วพอรู้สึกตัวเงี้ยก็ความก็จะตกไปอยู่ใน ความคิดอะคออ่ะแล้วควรจะแก้ไงดีอะคะก็เวลาจิตเราไปเพ่งเราก็รู้ว่าเราเพ่งอยู่นะไม่ต้องอยากหายเพ่งแต่ถ้ามันเพ่งนานนั้นเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปไปลุกขึ้นมาทํางานอย่างอื่นไปซะนะแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้หายฟุ้งซ่านแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากนักเนี่ยเราก็ทําความสงบขึ้นมาแต่ว่าของคุณไม่ต้องหรอกคุณไปดูความฟุ้งซ่านเอา ของคุณทำไมสงบแล้วฟุ้งซ่านรู้ไหม<ะ>เพราะว่ามันเป็นความสุดต่งสองด้านที่กลับไปกลับมานะช่วงใดที่เราฟุ้งซ่านมากนะอีกช่วงหนึ่งจะซึมเลยช่วงไหนที่ซึมนิ่งมากๆนะอีกช่วงหนึ่งจะฟุ้งซ่านเลยนะช่วงไหนที่ราคารุนแรงนะช่วงถัดไปโทสะจะรุนแรงช่วงไหนโทสะรุนแรงนะถัดไปนะจะซึมๆไปหน่อยแล้วถัดจากนั้นราคาก็จะรุนแรงขึ้นไห มันมีวงจรของมันนะวงจรของกิเลสเพราะงั้นที่ภาวนาแล้วบอกมันมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วฟุ้งซ่านเพราะเราทําแต่สมถะถ้าจะตัดวงจรนี้ก็คือต้องพยายามขึ้นวิปัสสนาให้ได้จิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตอยากสงบรู้ว่าอยากสงบจิตไม่อยากฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่อยากฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรูร้วเป็นอย่างไง น, นะฝึกไปอย่างนี้ แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้พอใช้ได้ไมคะยังเพ่งอยู่นะยังเพ่งใช่มรัอ่า<ะ>ยังไม่เลิกขอบพระคุณค่ะเออมีคนเตือนหลวงพ่อบอกอย่าตอบแบบนี้ตรงไป <c oughs> ตรงเกิน <c oughs> ไปให้ตอบเลี่ยงเีย <c oughs> <c oughs> แต่บางทีตอบเลี่ยงมีปัญหาเลี่ยงแล้วไม่รู้เรื่องเลี่ยงแล้วไปทำผิดเลยงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนด้วยใจจริงๆนะหลวงพ่อสอนด้วยใจจริงๆนะอย่าเรียนแบบ หาเรื่องจับผิดกันกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือได้ได้ไปกลับเรียนทำหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยากจะสงสัยนะเจ้าคะ่ะว่าที่ปฏิบัติเนี้ยจิตมันตื่นแล้วหรื อ, อยังเจ้าค่ะขนาดนี้ไม่ตื่นเพราะขนาดนี้สงสัยดูออกไหมค่ะแล้วขนาดเนี้ยไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจ ไม่เคยจดจ่อรอฟังหลวงพ่อขณะนี้จิตที่ตื่นเต้นตะกียลดความตื่นเต้นลงแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตื่นเต้นเราไม่เห็นว่าตื่นเต้นตอนนี้จิตเริ่มสงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมจิตไปคิดไม่เลิอกอะ่ะรู้สึกไหมอยากพูดแล้วรู้สึกไหมเ น, น, น, นี่ยดูลงปัจจุบันไปแล้วมันก็ตื่นเองแหละ แลถ้าเกิดเมื่อเราเกิดความอยากที่จะถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราเห็นความอยากเรามันดับไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะถามนี่คือเรามีอุปาทานที่ยึดยึดความคิดแล้วไม่ใช่เ ร, เราต้องฉลาดนะเราไม่ได้ถามเพราะอยากถาม<ร>าแต่เราถามเพราะสมควรจะถามหรืออย่างเราจะไปซื้อของเงี้ยเราไม่ได้ซื้อเพราะอยากซื้อแต่เราซื้อเพราะสมควรจะซื้องั้นอย่างเราเดินเดินไปเจอกกระเป๋าสวยๆจิตอยากได้มีสติรู้ว่าอยากได้ ความอยากดับปั๊บหรือเหตุผลแล้วสมควรจะซื้อไหมสมควรซื้อก็ซื้อไม่ใช่ต้องไม่ซื้อสมควรจะถามก็ถามไม่ใช่ต้องไม่ถามนะถ้าถือว่าฉันจะต้องไม่ถามนะนี่ก็ยึดถือในทิฏฐิของตัวเองอีกล ะ, ะ ม, มันก็เลยยังสงสัยไม่เลิกจกว่าสงสัยเนี่ยหลวงพ่อจะบอกให้สงสัยจะไม่มีวันหมดไปน ะ, ะเพราะงั้นสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสงสัยก็จะแสดงธรรมะเช่นเดียวกับธรรมะอย่างอื่น เช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นคือเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้อย่าไปหลงกลมันกิเลสทุกตัวจะหลอกให้เราคิดกิเลสทุกตัวจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวความสงสัยเกิดขึ้นมันจะหลอกให้เราหาคําตอบจะไปคิดิดๆๆนะเราก็ลืมรู้ว่ากําลังสงสัยความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธลืมรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นเราจะคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากําลังรักอยู่กิเลสทาหน้าที่เดียวกันนี้แหละ หรือว่าขี้เกียจขี้คลานเกิดขึ้นใช่ไหมก็พาให้เลิกดูไปเลยเนี่ยมันจะลากเราให้เลิกดูกายดูใจตัวเองเพราะมันกลัวเราจะฟ้นอํานาจของกิเลสเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมมันคิดอยู่ตลอดยอยากพูดด้วยรู้สึกไหมเห็นไหมมันทนไม่ไหวเนหะ็นไหมอ่ามันผลักเพือกขึ้นมาเลย <c oughs> เห็นไหมความอยากตะกี้ดับไปแล้วนะดูอย่างนี้นะกิเลสอื่นๆก็ผุดขึ้นที่เดียวกับที่มันอยากขึ้นตะกี้แหละมันผุดขึ้นมากลางอกนั่นแหละ หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะมันจะคิดถึงคําถามคํานั้นอยู่ตลอดเวลาเออาถามมาคือ <c oughs> จะถามก็ที่ที่ไปกราบหลวงพ่อที่สันติธรรมนะคะหลว ง, งพ่อบอกว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่พอมาณขณะจิตเนี่ยเมื่อเราหลงเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วแล้วที่ปฏิบัติจำ ท, ที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อที่ทําในชีวิตประจาําวันนั่นมันมั น, ม, นมันถูกต้อง ก็ทำต่อไปเรื่อยๆแบบนั้นใช่ไหมจ๊ะปให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปบ่อยๆนะให้รู้ให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่รู้ได้นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาแต่รู้บ่อยๆเดี๋ยวมันถูกเองแหละทำไมมันถูกตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้ารหันเต็มโลกแล้วกราบพระพ่อคุณกราบน้ัมศการหลวงพ่อครับอยู่ไหนดย่ีข ครับคืออยากจะถามว่าคือปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นเวลาอยู่ดีๆก็คิดว่าคือรู้บางครั้งมันจะรู้ขึ้นมาแล้วก็มีมีดับไปแต่บางครั้งเนี่ยคือจะรู้แล้วหลังจากภาวะรู้จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่มันอัดในหน้าอกครับแต่ก็รู้ว่าอาัดแต่บางครั้งความอานะัดเนี่ยมันไม่หายไปครับความหนักเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องหายความหนักเป็นตัววิบากเป็นผลที่จิตไปกระทํากรรมเข้า นะอย่างพอเราเคีเลตเกิดขึ้นอยากปฏิบัติเราเกิดจงใจไปดูหรือเวลาใจเราหลงไปคิดนะนะเราไปรู้เข้าแล้วเราไปดึงมาเงี้ยมันเกิดการกระทํากรรมมันจะหนักขึ้นมาดังนั้นตัวหนักเนี่ยเป็นผลของกรรมแก้ไม่ได้ให้รู้เฉยๆด้วยใจที่เป็นกลางพอหมดอํานาจของกรรมนะมันก็จะสลายตัวไปเองแล้วอย่างนี้สมควรที่จะต้องทําสมาธิทุกวันด้วยไหมครับควบคู่กับการดู ท, <ำ>ทิตทําทุกวันนะแต่ทํา ไม่ใช่ทำแล้วให้เคลิมนะทำเช่นเราหาดหายใจหาดพุดโทโธทำทุกวันะพุโทโธไปพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจเราแอบไปคิดเราคอยรู้หรือหายใจไปแล้วใจเราหนีไปคิดเราคอยรู้ใจไปเพ่งลมหายใจเราคอยรู้ซ้อมทุกวันแล้ววันไหนที่จิตใจมันเหน็ดเหนื่อยอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงมันจะไม่ยอมไปรู้มันจะรวมเข้าไปพักผ่อนเราก็ไม่ฝืนมันปล่อยให้มันพักผ่อนไปวันนั้นเราทาสมถะ นะวันไหนเรามีเรี่ยวมีแรงเราก็มาพุทโธมาหายใจนะแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นการซ้อมรูนะ้ถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี้สติจะเกิดบ่อยตอนนี้ใจลอยเวลาทราบไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณครับนรัตรการหลวงพ่อค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อหลายครั้งบางทีก็ฟังในเว็บออยังไม่ทราบว่า สติที่แท้จริงเราจะรู้ถึงสภาวะนั้นได้อย่างไรว่า น, นี่คือสติที่แท้จริงแล้วหรือว่าอันนี้คือสภาวะที่จิตรู้จริงๆหรือความคิดนะคะอืมก็ต้องอาศัยถ้าดูเองไม่เป็นหน้าก็ อ, อาศัยครูบาอาจารย์บอกให้แบบทุกวันนี้ก็ปฏิบัติทางสมถะอยู่ทีนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ดีหรืออย่างแล้วก็อพอฟังสินดีหลวงพ่อก็พยายามที่จะดูจกิ<ด>เลสบ่อยไหมวันนึงเห็นกิเลสบ่อยไหม บางวันก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันนะคะบางวันก็เถลอไปยิ่งเวลาทํางานยิ่งจะเผลอไปจนไม่รู้ตัวเวลาทํางานเรารู้สึกไม่ได้อยู่แล้วเวลาทํางานต้องไปคิดเรื่องงานนะแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่พอทํางานแล้วเครียดขึ้นมาเรารู้อะไรอย่างนี้ทำงานแล้วดีใจเสียใจเราค่อยรู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วในวัฒนธรรจริงต้องการคำนี้จะได้มั่นใจนะนี่หลวงพ่อบอกว่ามันก็น่าเกลียน ค, คือจะเรียกว่าเพิ่งจะหันมาสนใจจริงจังนะคะประมาณปีงได้ค่ะดีแล้วแต่ว่าเราเรตื่นขึ้นมาแล้วค่ะจะเริ่มทางแนวของออทางครูบาอาจารย์ทางเก่าๆที่ทีแรกด้วยความเข้าใจว่าต้องรู้กายรู้จิตอันนี้คือดูอขันทั้งห้าคือรูปก่อนแล้วก็ขันอีกสี่ตัวทีนี้พอม า, อมาอศึกษาทางหลวงพ่อ ก, ก็เข้าใจว่าดูกายดูจิตคืออะไร คือพยายามไปประยุกต์กันตรงนั้นทีนี้อย่างแล้วในกา ร, รปฏิบัติจริงเนี่ยนะมั น, นไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะถ้าสติเกิดบางทีมันก็รู้กายสติเกิดบางทีมันก็รู้จิตมันเลือกไม่ได้เพราะเรามันมีกายแล้วก็มีจิตด้วยนะแล้วสติก็เป็นอนัตตางั้นถ้ามันรู้กายเราก็สักว่ารู้นะเห็นความจริงของกายมันไปรู้จิตเราก็รู้ไปนะเห็นความจริงของจิตคอยรู้ไปเรื่อยถ้าเห็นเลยทั้งหมดไม่ใช่เราสักอันเดียวเล เวลาภาวนาไม่ใช่จงใจรู้อันใดนหนึ่งจงใจรู้อันใดนหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆหรอกต้องรู้ควบคู่กันไปไม่ใช่ควบคู่กันไปมันรู้อะไรก็ได้แล้วแ ต, แต่มันจะรู้าาอแล้วแต่สภาวะที่เกิดไม่ใช่รู้ควบคู่นะรู้ควบคู่ไม่ได้รู้ทีละอันแล้วพอรู้แล้วต้องพิจารณาไปถึงใจรักไหมคะไม่ต้องนะใจรักไม่ไดเอาไว้คิดคบาแทีอย่างสมมติว่าความโกรธฝุดขึ้นมาเราเห็นความโกรธเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งดูอยู่ความโกรธมันก็ดับให้ดู นี่มันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะดับไม่ดับนะไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดนะไตรลักษณ์เอาไว้เห็นแสงดงว่าที่เคยนั่งนั่ ง, น, งนานๆแล้วปวดขาแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปดับไปอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรียกว่าการรู้ทุกข์นะไม่ใช่ <ws. S 1> วิปัสสนาแล้วถ้าเราทําวิปัสสนาเรานั่งอยู่แล้วปวดขานี่เราเห็นเลยขาก oh ็ส่วนหนึ่งนะขาไม่ได้ปวดความปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในขาจิตที่ไปรู้ความปวดจิตที่ไปรู้ขาก็เป็นอีกสิ่งงนึง นะความกระวนกระวายของจิตเมื่อไปรู้ความปวดแล้วความกระวนกระวายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งขันมันจะกระจายตัวออกไปรูปส่วนรูปเบทนาส่วนเบทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตมกระจายออกไปพอขันกระจายออกไปแล้วขันแต่ละตัวจะไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะเห็นเองแมื้ไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะนั่งเพื่อหายหายปวดไม่เห็นยากเลยจะให้หายปวดนะ่ะนั่งแล้วเมื่อย ก, ก็ขยับไปก็หายเมื่อยแล้วนะอิริยาบทก็ปิดบังความทุกข์เอาไว้ งั้เราภาวนา ไ, นะะไม่ใช่เพื่อให้หายปวดแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยกายนี้ก็ไม่ใช่เราความปวดก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ภาวนาให้หายแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์อะไรไน ะ, ะมีอะไรติดไทยมีอะไรสมไทยอ๋อมีบอกยอย่างขอตกค้างอย่างเงี้ยก็ขออนุมโมทนาพวกเรานะสนใจธรรมะ ดีแล้วมีชีวิตแต่ละคนไม่รู้นะจะตายเมือ่อไหร่อย่าประมาตวิธีไม่ประมาต ท, ที่ดีที่สุดนะคือศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจของเราให้ดีหลวงพ้อเพิ่งมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งตายไปนะแต่ก่อนมาสาราลุงชินประจำอะตอนตายเนะี่ยตายด้วยความมีสติรู้สึกตัวตลอดเลยนะตายได้อย่างสวยงามก็อาศัยการที่เราฝึกฝนาวัะลเล็กวรนน้อยนี่เองถึงเวลา ขับขันจนตัวขึ้นมาแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยมีแต่บุญกับบาบนี่แหละช่วยเรานะหรือกุศลที่เราเคยฝึกฝนอบรมมามันช่วยเราได้เพราะงั้นเราอย่าประมาทเราค่อยฝึกไปค่อยรู้คอยดูไปนะเท<อ>่าน<อ>ี้เนาะก็ตามระเบียบนะครับส่งท้ายญาติโ ย, ยมก็มีของมาถวายทําเป็นทานเยอะแยะเลยนะครับผมจะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวาย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 ของที่พวกเราให้หลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปที่สุรินทางนั้นจนมากเลยแล้วจะกระจายไปอีก 40-50 หวัดเราได้ทำบุญไหลต่อนะแต่ละคนรับถอนนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสะคะรังเอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพันนราโสยถ า, ามณิโชติราโสยาทาสัพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจตารโธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง